เรื่องทรับที่ภิกษุนำไปแต่ผู้เดียวส1เรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนำสิ่งของของผู้อื่นไปมีทยจิตจับต้องสิ่งของที่อยู่บนศรีศรษะตนเองแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัตทุกกฏ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 สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนำสิ่งของของผู้อื่นไปมีทายจิตลดสิ่งของที่อยู่บนศีรษะตนเองลงมาที่ไหลแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่สิบเจสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนำสิ่งของของผู้อื่นไป มีทายจิตจับต้องสิ่งของที่อยู่บนไหลแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัดิปาราชิกแต่ต้องอบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่ส8สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนำสิ่งของของผู้อื่นไปมีทายจิตทำสิ่งของที่อยู่ที่ไหล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 จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าพิสษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่21สสมัยนั้นพิสษุรูปหนึ่งนำสิ่งของของผู้อื่นไปมีทายจิตทำสิ่งของซึ่งอยู่ที่เอลให้ไหวแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่22สิบสองสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนำสิ่งของของผู้อื่นไปมีทยจิตเอาเมื่อหยิบสิ่งของซึ่งอยู่ที่เอลหิ้วไปแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่23สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนำสิ่งของของผู้อื่นไปมีทายจิตเอาสิ่งของที่มือวางลงที่พื้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตตปาราชิกหรือหนอ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 พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่25